ผู้ใท้มันตรงตามความหมายหรือครอบคลุมจริงๆก็คือการาจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนะให้เพิ่มผูญงอกงามขึ้นคือการทําให้มีความเห็นที่ถูกตอ้องถูกต้องการทําให้มีความดําริที่ถูกต้องนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ต้องเริ่มต้นจากการ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 นะความเห็นให้ถูกต้องเราก็ทำให้ความคิดความดำริของเรานะมันไม่ถูกครอบงาด้วยตัณหานะคือความอยากไม่ถูกครอบงาด้วยความโกรธความมุ่งร้ายหรือว่าคิดแต่จะในเรื่องของการเบียบเลียนอันนี้ก็เรียกว่านะสัมมาสังกัปปะนะแล้วก็ทำให้ละเอียดลงไปนะโดยการนะเจริญนะเรียกว่า ภาวนาการบาเพ็ญทางจิตนะก็คือสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธนะิเนื่งจะได้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่เราทำได้ทุกที่ทุกเวลาถึงแม้ไม่ได้มาวัดไม่ได้เข้าคอสเร า, าคงจะทำกันอยู่แล้วนะแต่ว่านะส่วนใหญ่ก็ไปหนักด้านการนะให้ทานนะหรือว่าการรักษาศีล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 ทำดีแล้วแต่ก็ยังมีคนตําหนิมีคนนินทาก็ทุกข์นะหรือว่าทําดีแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าเรานะก็ทุกข์นะคืออิจฉานะรู้สึกว่าเขาดีกว่าเรานะเขาเด่นกว่าเราก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมานะเพื่อรวมงานขยันกว่าเรามาทํางานนะแต่เชา้ชาเช้ากว่าเรานะเลิกงานหลังเรา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 อยากได้แบบนั้นแต่พอพูดเรื่องสตินี่ก็รู้สึกเฉยๆเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ได้ไม่ได้พิเศษพิสดารอะไรนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยธรรมที่มีอุปการะมากมีสองประการนะก็คือสติและสัมปชัญญะคราวหนึ่งเคยมีคนถามหลวงปู่ดู่นะประมะปัญโยวะหลวงปู่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 เวลาคู่ขาเหยียดขานะครองสังคาติสภายบาทห่มจีวรนะเวลากินเวลาดื่มเวลาเียอะเวลาเคี้ยวเวลาลิ้มให้ทำ ง, งานรูาสึกตัวอุจจาระปัสสาวะก็เช่นกันนะรวมไปถึงว่าเวลาเดินยืนนั่งนะหลับตื่นพูดนิ่งน่าจะเห็นได้ว่ามัน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 แล้วถ้าดูของจริงนะคือกายกับใจเนี่ยไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันจะเห็นความจริงนะเหมนมันจะเห็นความจริงของกายและใจว่าเนี่ยเออนะกายนี่นะมันก็ศัพต์ว่ากายนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะใจก็เหมือนกันนะมันก็ศัพต์ว่าใจแต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอาการที่เกิดขึ้นกับกายเช่นเวทนามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไป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 เผยความจริงให้เราเห็นนะว่ามันก็ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยนะมีเหตุก็เกิดพอเหตุดับมันก็ดับนะอันนี้เราไปถึงความจริงเกี่ยวกับขันนะความจริงเกี่ยวกับอายตนะนะซึ่งอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะสาหรับนักปฏิบัตินะใหม่ๆเนี่ยก็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 นั่นที่จะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรนะหรือเจออะไรเนี่ยมันก็ปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นนะโดยเพาะถ้าเป็นการเจริญสตินะให้จับหลักไว้ได้ให้จับหลักไว้เลยนะว่าทำอะไรเจออะไรเนี่ยนะถ้าว่าเราทำแล้วเรามีความสึกตัวแล้วเมื่อเจออะไรใจกระเพื่อมขึ้นมาเราก็รู้ทันอันนั้นแหละเรียกว่าการปฏิบัติแล้วอย่าไปคิดว่ามันต้องมา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 แปาพันศาเนี่ยท่านก็แสวงหาครูบาอาจารย์นะเพราะว่าท่านมุ่งพ้นทุกข์ตอนประสาทิก้าท่านก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กิ น, นารีนะที่นครพนมหลวงปู่กิ น, นารีนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะรุ่นแรกๆเลยหลวงพ่อชาตอนนั้นเป็นพระหนุ่มนะอายุไม่ถึง30มนสะิท่านก็มีไฟแรงมากท่านภาวนาทั้งวันทั้งคืนเลยโดยพาการเดินจงกรมนะไม่นั่งก็เดินเวลาเดินนี่ก็เดินกัน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 จะรู้อะไรแต่หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่กินนรีเนี่ยก็ก็ได้เห็นว่าจริงๆหลวงปูน่นี้ท่านมีปัญญามากท่านรู้มากกว่าเราเยอะนะอันนี้หลวงพ่อชาท่านคิดในใจว่าท่านรู้มากกว่าเราเยอะอะไปหลงดูแคล้ว่าท่านไม่รู้อะไรเนะี่ยที่จริงเนี่ยท่านมีปัญญาลุ่มลึกมากแม้แต่แม้ก็นั้นเนี่ยท่านก็หลวงว่าหลวงพ่อชาเนี่ยก็ยังก็ยังมีความเข้าใจนะว่าจะจะ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 รีบไปเดินหลวงปู่กินเลหเห็นก็ก็ทักขึ้นมาว่าเนี่ยท่านจะรีบร้อนไปทำไมป่าชุนเย็บจีวร น, นั่นน่ะจะรีบร้อนไปทำไมหลวงพ่ชาติตอนนั้นเนี่ยท่านก็ตอบว่าเนี่ยอยากจะทำให้เสร็ จ, รจครับให้เสร็จไวๆเสร็จแล้วจะไปทำอะไรท่านก็บอกเสร็จแล้วจะไปทำโน่นทำโน่นเสร็จจะทำอะไรต่อก็ทำนั่น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 ให้อยากภาวนานี่มันก็มันก็ดีนะถ้ า, าว่ารู้ทันนะแต่ถ้าไม่รู้ทันเนี่ยปล่อยให้นะให้มันกาะกลุ้มใจจนกระทั่งทาอะไรรีบๆนะไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมือกําลังเย็บจีวร อ, อยู่นะแต่ว่าใจนี่ไปแล้วไปที่ทางเดินจงกรมแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ภาวนานนะมันไม่ใช่บัดดีเสมอไปนะว่ารีบทำอะไรเสร็จเร็จเพื่อได้ไปเดินจงกรมเนี่ยนะถ้ามอ น, นี่งาของสติ ป, ปัฏฐานนี่ก็เรียกว่าสอบตกนะเพราะว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบัน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 นะไม่รู้ตัวน ะ, ะนั้นทําอะไรเนี่ยนะก็ให้เราเตือนตัว อ, อยู่เสมอว่านั่นก็ภาวนาได้และในทําเราเดียวกันเจออะไรเนี่ยก็ถือเป็นภาวนาได้นะเพราะว่าตามหลักการเจริยสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือว่าให้รู้ทันนะเวลาใจมันขึ้นมันลงนะมีทุกมีโทมันนัดหรือว่ามีความยินดียินร้ายนะมีราคะมีโทสะนะหรือไม่มีก็รู้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 ไม่พูดเจาไม่พูดสอนเสียไม่พูดเพอ้อเจอ้อเราทําแล้วนะสามากกรรมต่างเราก็ทําแล้วนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยนะไม่พุดผิดในกามนะไม่อไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยเราก็ทําแล้วนะแต่เขาก็ยังว่าร้ายเราก็ยังเบียดเบียนเรานะอันนั้นนะก็ช่วยไม่ได้นะ แต่สิ่งเราทําได้คือเปลี่ยนร้ายที่มันเกิดขึ้นในใจให้กลายเป็นดีซะเปลี่ยนความโกรธกลายเป็นความไม่โกรธเป็นความหงุดหงิดให้เป็นความไม่ไม่หงุดหงิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักการภาวนาได้ก็จะพบว่าทําอะไรก็ภาวนาได้ปฏิบัติทําได้เจออะไรก็ปฏิบัติทําได้นะแม้ว่าแม้วสิ่งที่เราเจอนั้นเนี่ยนะมันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าพอใจนะยุ่งกัดนะ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 ไอสิ่งที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันแล้วก็หนีไม่พ้นใคาเดรกรรมก็แสดงถึงความอ่อนแอของเราว่านะเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อใครๆทำดีกับเราเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อดินฟ้าอากาศนะมันราบเรื่องสะดวกเราจะสุขได้ก็ต่อเมื่อรถไม่ติดนะคนที่คิดแบบนี้ว่าจะสุขได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างรอบตัวเราดีหมดราบเรื่องหมด น, นี่ก็แสดงว่าอ่อนแอนะอ่อนแอ เอาตัวเอาจิตเอาความสุขไปผูกติดกับสิ่งภายนอกการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาทำให้เราเข้มแข็งก็คือว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกจะเป็นอย่างไรละใจเราก็สงบใจเราก็ปกติมั่นคงได้ใครก็จะด่าว่ายังไงก็ก็สงบได้งานจะไม่สําเร็จงานไม่รับลื่นลูกน้องนะไม่ไม่ทําตามคําสั่งใจก็สงบได้ไม่ใช่ชุนเฉียวนะ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 เห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นในใจไม่เข้าไปเป็นเห็นความกลัวไม่เป็นผู้กลัวเห็นความเศร้าไม่เป็นผู้เศร้าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติเหมือนกันนะอุจาตรัสว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือแม้แต่นอนนะหากว่ามีอกุศลเกิดขึ้นในใจก็ไม่ก็ไม่ไปคล้อยตามมันนะรู้จักปลดเปื่อมันออกไปจากจิตใจนะ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 ถ้ามีเวลาหายใจก็มีเวลาภาวนาด้เหมือนกันเพราะว่าการภาวนาเนี่ยมันควรจะทำทุกลมหายใจนะนะสุดท้ายเนี่ยนั่นก็กลับมาที่ผูดตอนต้นนะว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมนะมันก็เป็นคำถามเดียวกับว่าทำไมต้องหายใจ